ที่พูดมาดีทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเห็นเราเห็นใจมันปรุงแต่งเช่นมันอยากจะคิดอยากทําที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็อยากให้ดีกว่านี้อยากดีขึ้นนั่นแหละมันเป็นกิเลสตัวหนึง่งชื่อว่ากุกุจจะกุกุจจะนะั้นมันอยากดีะไม่อยากจะชั่ว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 ถ้ามันได้อย่างใจเราจะเข้าใจผิดละตัวนี้เป็นกิเลสชื่อว่ากุกุจจักุกุดจัเป็นความร้อนใจว่าสิ่งที่ดีๆนี่ยังทําไม่สําเร็จยังทําไม่ได้ยังทําไม่ได้ดีพอทําได้น้อยไปนี่ชื่อกุกุดจันะเป็นกิเลสกุกุดจัอีกด้านหนึ่งก็คือไปทําไม่ดีมาแล้วก็วนคิดซ้ําอยู่นั้นนะซ้าเติมตัวเองนี่ใช้แบบสัมนวน เข็มที่ชีวิตบอกเอามีดมาแทงตัวเองซ้ําแล้วซ้ําอีกอนั่นก็กุกกุจจะคือของที่ทําไม่ดีไปแล้วนะเอามาคิดซ้ำํำย่ำยี่ตัวเองไปอีกอันหนึ่งก็ของดีๆยังไม่ได้ทํากลุ้มใจเล่าร้อนใจเป็นความเร่าร้อนเพราะความชั่วที่ได้ทําแล้วเป็นความเร่าร้อนเพราะความดีที่ยังไม่ได้ทํานะชื่อกุกุจจะให้รู้ทันนะกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสของคนดี ถ้าคนชั่วไม่เดือดร้อนหรอกทำชั่วก็ทาไปใช่ไหมไม่เดือดร้อนคือเคยชินที่จะชั่วก็ชั่วเรื่อยๆไม่เดือดร้อนเพึ่งใอ้กุ้งเป็นไงกุ้งหลงเยอะหลงบางครั้งก็หลงนานก่อนที่จะคุยกับหลวงพ่อใจก็ใช้ได้ตอนนี้ใจออกนอกอะหลวกไหมใจ<ต>ไม่ตั้งมัน่หนหลวกไหมไม่ตั้งมั่นเราก็ ช่วงก่อนนี้คือไม่สบายมากคือปวดหัวทุกวันมบบเดือนหนึ่งแล้วค่ะคือ<ก>ปวดหัวก็ไปหาหมอหมอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอแต่ว่าใจของเราเราต้องรักษาเองลงบ่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็สติเกิดเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยคืต้องไม่ทิ้งการทําในรูปแบบนะ <c oughs> การทําในรูปแบบนะี่สําคัญ ถ้าเราทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะั้นใจจะฝ่อไปเรื่อยๆขี้เกียจขี้คลานไปเรื่อยๆแล้วก็สติเกิดน้อยต้องซ้อมนะเหมือนนักมวยเป็นแชมป์โลกก็ยังซ้อมชกกระสอบชกอะไรชกลมต้องซ้อมทุกวันนะนักปฏิบัติก็ต้องซ้อมให้เกิดสติทํากรรมฐานอันหนึ่งที่เคยทำแล้วสบายมีคําว่าแล้วสบายด้วยนะถ้าทํากรรมฐานแล้วไม่สบายก็เปลี่ยนซะไม่ถูกกระิตถ้าทำแล้วอื่นอา จ, จแสดงว่าทำผิด แต่ถ้าเราเคยทํากรรมฐานอะไรแล้วสบายเช่น <Alicia, S 1> เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายเราก็มารู้ลมหายใจถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วสบายเราดูท้องพองยุบอะไรก็ได้พุโทโธแล้วสบายก็ดูพุทโธขยับมือสบายแล้วก็ขยับมือไปกรนะรมฐานอะไรก็ได้สักอันหนึ่งเราก็ทําทุกวันนะทำแล้วก็หัดสังเกตจิตใจของเราเนะช่นเราพุโทโธหรือเราหายใจหรือเราดูท้องพองยุบใจหนีบีคิด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 มันเห็นบ่อยเพราะเราฝึกไว้เราขยันดูนะทำในรูปแบบควรจะทำํำทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกมนะรมภาวนาในรูปแบบแล้วก็หัดดูสภาวะมันจะทําให้เราแม่นพอเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันสติจะเกิดบ่อยไม่หลงยาวถ้าเราทิ้งรูปแบบไปเลยเรายังเดินไม่เก่งนะมันข้ามสะพานไม่มีราวสะพานนก็ตกน้ําแต่ไม่ใช่ไปเกาะราวสะพานนะ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 เห็นความดีใจปุดปุ๊บขึ้นมาเมืの心の心่อกี้ไม่ได้ดีใจตอนนี้ดีใจนี่จิตไม่เที่ยงนะเมื่อกี้เฉยๆตอนนี้ดีใจดีใจแล้วไปคุยกับเพื่อนอยากไปคุยกับเขานี่เห็นความอยากจะไปคุยกับเขาคุยไปคุยมามันขัดคอโมโหเห็นไหมดีใจเปลี่ยนเป็นโมโหละรู้ทันฝึกอยู่อย่างเงี้ยฝึกในชีวิตธรรมดานะชีวิตธรรมดานี่แหละสำคัญที่สุด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 คือดูจิตใจตัวเองนะจะมานั่งสมาธิทั้งวันอย่างตอนอยู่ไปบวชแล้วมานั่งอยู่ในวัดนะนั่งสมาธิได้นานๆเดินจงกลมนานๆอยู่แต่ในรูปแบบเป็นคลาวาสเป็นทำไม่ได้นะทาไม่ได้เพิ่งต้องฝึกให้สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันไดนะ้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เฉพาะตอนทำสมาธิทำในรูปแบบอนะไรอย่างนี้ชีวิตเราจะแยกเป็นสองส่วน ชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเวลาปฏิบัติชีวิตส่วนใหญ่เป็นเวลาไม่ได้ปฏิบัติงั้นเหมือนเราพายเรือนะทวนน้ําไปเราพายไปห้านาทีแล้วก็นอนสักชั่วโมงหนึ่งนะมันจะไม่อยู่ที่เก่ า, ามันจะไหลลงไปต่ํากว่าเดิมพระุทธเจ้าถึงบอกธรรมชาติของจิตไหลลงต่ําอย่าประมาทเลยนะไหลลงต่ําเร็วมากเลยเรานึกว่าเราแน่เราแน่เราแน่เผลอแวบเดียวลงต่ําถอยไม่ได้นะ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 ทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยฝึกหัดมีสติอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถึงจุดหนึ่งนะยัมีสติได้ทั้งวันทั้งคืนตรงที่นอนไปแล้วยังช่วยตัวเองได้มีสติขึ้มนมาช่วยตัวเองได้นี่สําคัญนะมันเป็นเองมันเป็นผลเกี่ยกบการที่เราฝึกจเจริญสติตอนกลางวันเราจะไว้ใช้ตอนจะตายเนี่ยความรู้อันนี้ยจะใช้ตอนจะตายเวลาที่เราจะตายจิตมันจะตัดความรับรู้กายออกไปก่อนนะ มันจะไปรู้อยู่ที่ใจอันเดียวเราจะมาทำกรรมฐานที่กายอันเดียวระวังก็แล้วกันนะกายหายไปแล้ว <c oughs> นาทีสุดท้ายไม่มีกายนะจะทำยังไงทำกรรมฐานอะไรต้องฝึกจนชานิชานาญมันเข้ามาที่จิตอัตโนมัติให้ได้เวลาคนเราจะตายมันจะเกิดนิมิตอันหนึ่งเรียกว่ากรรมอนิมิตนิมิตถึงสิ่งที่เคยทำอันหนึ่งเรียกว่า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 ถ้าเราฝึกสติไว้ดีนะตอนนี้มิดไม่ดีเกิดก็ขาดเราจะตื่นขึ้นมาจะไปสู่สุขตินั้นสำคัญนะฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยจนมันอัตโนมัตินะกระทั่งหลับมันก็ทำงานได้สติปัญญาต้องฝึกเอาไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะอย่างคนชื่อโองเนี่ยมาฝึกที่นี่เองนะหลวงพ่อเปิดบ้านมาครึ่งปีเองแล้วมีคนที่ทำอย่างนี้ได้เยอะแยะไม่ใช่มีคนเดียว แต่คนเคยทำได้ถ้าท้อถอยขี้เกยียจแป๊บเดียวนะเพื่อนแซงหมดนะเพื่อนแซงจริงๆเราไม่ได้แข่งกับใครอ่ะแข่งกับกิเลสตัวเองกิเลสมันแซงไปหมดจริงๆแล้วธรรมะไม่ได้ยากเลยนะเจอศาสนาพุทธแล้วอย่าให้เสียโอกาสได้พยายามภากเพียนทุกวันไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบเนี่ย เคยทำกรรมาฐานอะไรเอาอย่างนั้นแหละถ้าทำแล้วสบายนะถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาเปลี่ยนซะเช่นถ้าเราพุโทโธพุโทโธเราเครียดเราก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นเราร่วมลมหายใจแล้ว เ, เครียดเราก็เอาอย่างอื่นดูท้องผ่องยุบแล้วเครียดเราก็เอาอย่างอื่นกรรมาฐานมีถมเทไปกรรมาฐานอย่างนี้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเป็นแค่จุดตั้งต้นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองกรรมาฐานอะไรก็ได้เบื้องต้นทำสักอย่างหนึ่ง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 แต่ไม่ว่ารู้อะไรนะถ้ารู้ถูกต้องด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ารู้แล้วถล่าตามลงไปเช่นเห็นอารมณ์ไหวๆขึ้นมานะไปจ้องใส่มาน้มันหดเข้าไปตามดูลึกๆเข้าไปหาไตรลักษณ์ไม่เจอนะสติปัญญาไม่เกิดหรอกมีแต่สติหรอกแต่ว่าไม่มีปัญญาไปเพ่งๆๆตามเข้าไปเรื่อยๆงั้นจิตต้องตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดู พวกเราหลายคนทำกรรมฐานมากมายนะจะสงสัยว่าทำไมมันไม่เกิดมรรคผลนิพพานตัวจริงเพราะมันไม่มีปัญญา น, นั่นเองไม่มีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามมันคิดแต่จะบังคับรูปนามเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งรูปเดียวไม่ใช่ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำไมไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นสําคัญนะอย่างพระอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องคอยควบคุม บางวันจิตตามรู้กายตามรู้ใจมากเข้ามากเข้าจิตกระจายกระจายออกไปเนี่ยต้องเพิ่มสมถะละเพิ่มความสงบให้ใจตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วขี้เกียจขี้คลานเนี่ยต้องไล่อีกละให้ออกมารู้กายมารู้ใจเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาทํากรรมฐานก็คล้ายๆเราขับรถยนต์นะบางเวลาก็เหยียบเบรกทําสมถะบางเวลาเหยียบคันเร่งเจริญปัญญารถมันถึงจะไปถึงที่หมายได้แล้วเราคอยดูนะคอยดูกายคอยดูใจไป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 ขยับมือทำจังหวะก็ไปเพ่งใส่มือจิตไหลไปอยู่ที่มือเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูอิริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยอันนั้นเรียกว่าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตถลมลงไปตั้งแช่ในอารมณ์จิตต้องตั้งมันนรรมนะงม่นในการรู้อารมณ์นะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สักว่ารู้อารมณ์อยู่ต่างหากจากอารมณ์นีเป็นอันหนึ่งไหลเข้าไปรวมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นอีกอันหนึ่ง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 ก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นมันอยู่ทั้งวันนะ่ะดูท้องก็เห็นท้องมันอยู่ทั้งวันนั่นแหละมันลอยไปด้วยกันงั้นต้องเป็นคนดูอยู่ทางหากนะอย่างสายอภิธรรมอาจารย์นแนบก็ชอบสอนต้องเป็นคนดูละครนะเป็นคนดูละครอย่าโดดเข้าไปในเวทีละครถ้าพูดสมัยใหม่คนรุ่นเราชอบดูฟุตบอลเราต้องดูฟุตบอลอยู่บนอัฒจันทร์นะอย่าไปดูฟุตบอลอยู่กลางสนามฟุตบอลเดี๋ยวถูกเขาเตะเอา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 มันจะแนบอยู่ที่อันเดียวนะเป็นการเพ่งได้สมถะได้แต่สมถะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูทางวัดป่าท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้ถ้ามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเป็นคนดูเป็นคนดูกายดูเวทนาดูกุศลอกุศลก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกุศลอกุศลนวลแต่เกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาถึงจะเกิดงี้สติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้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 ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยพร้อมมูลขึ้นมานะอริยามรรคถึงจะเกิดตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งน้อยก็ะพร่องกระแกล้ ง, งไม่เกิดหรอกนะนี่นต้องมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นนะถึงจะเห็นความจริงของกายของใจนะฟังเหมือนยากนะแต่ง่ายเริ่มต้นอย่างที่บอกทํากรรมฐานที่เคยทําไปพุทโธก็ได้หายใจก็ได้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 คนที่มาเก่ามาใหม่ก็ตามจีเถอะสังเกตไหมจิตใจของเราแอ บ, บทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อพูดนะเดี๋ยวก็หนีไปคิดถ้าไม่หนีไปคิดก็เพ่งเอาไว้เพ่งเพ่งเ พ, ง, เพงนะบางคนเพ่งจนซึมไปเลยโมหะแทรงง่วงง่วงเงาเงาซึมซึมอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะขี้เกียจขี้คลานนักปฏิบัติต้องเป็นนักต่อสู้นะขี้เกียจขี้คลาน นั่งภาวนาแล้วเคลิมงองแงงองแงก็ได้อะไรก็ได้ขี้เกียดนั่นแหละสะสมความขี้เกียจการนั่งสมาธิอะไรนี้ก็ต้องมีสติอย่าให้ขาดสายสติสําคัญที่สุดนะขาดสติเมื่อไหรจิตเป็นอกุศลเมื่อ น, นั้นเลยงนั้นต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆถ้ามีสติไปรู้อย่างอื่นก็ได้สมถะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจ เป็นมิปัสสนาถ้ามีสติเพ่งกายเพ่งใจก็เป็นสมถะเหมือนกันรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งอยาเข้าไปแน่เพื่อไปแช่ไว้รู้จะสักว่ารู้สักว่เห็นอยู่ห่างหลว ง, งพ่อดูดูพวกเราหลวงพ่อรู้จักนักปฏิบัติมากนะก่อนจะบวชเนี่ยชาบตะเวนไปดูที่ปฏิบัติทั้งหลายสำนักโน้นสำนักนี้ไปดูพระภาวนาไลเห็นจุดอ่อนหลายเรื่องเลยบางแห่งไม่รู้จักว่าจะต้องรู้กายรู้ใจ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 อยากปฏิบัติก็ขัดสติเรียบร้อยแล้วนะความอยากมันเข้าครอบงําหลายคนพอรู้รูปรู้นามแล้วแทนที่จะรู้ตามความเป็นจริงก็เข้าไปแทรกแซงนะเช่นพอเห็นความกโกรธเกิดขึ้นก็รีบแผ่เมตตาเลยหรือเห็นความกโกรธเกิดขึ้นรีบพุทโธพุทโธโกรธน้อโกรธน้ออะไรเงี้ยหวังจะให้ความกโกรธหายไปนี่ไม่ใช่มิปัสสนานะมิปัสสนาเนี่เราต้องเรียนให้เห็นเลยเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธ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 ไม่กลัวกิเลสและกิเลสมาทีไรกำหนดแล้วจอดหนดทุกทีเลยจิตนี้เป็นอัตตาขึ้นมานะ้ได้พอกผูณความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งบังคับได้ขึ้นมาจะไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเห็นจิตจทนใจเขาทำงานเข้าไปเรื่อยเราบังคับไม่ได้เขาไม่เชี่ยงเขาทนอยู่ในสภาวะแดหนึ่งนานๆไม่ได้ดูไป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 สุขก็หน้าเบื่อนะทุกข์ก็หน้าเบื่อนะดีก็หน้าเบื่อชั่วก็น่าเบื่อนะอะไรๆก็หน้าเบื่ออยากก็น้าเบื่อละเอียดก็หน้าเบื่อเพราะมันของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดนี่มาจากภาษาไทยฟังแล้วแปลยากภาษาบาลีเรียกว่าวิราคะหมายถึงใจเราไม่เข้าไปผูกพันกับมันใจไม่เข้าไปผูกพันในความสุขเพราะรู้ว่าความสุขชั่วคราว ไม่ไปหลงยินดีว่ามันจะต้องถาวร อ, อยากให้มันถาวรไม่มีอย่างนี้จะไม่ดิ้นรนเพื่อจะรักษาความสุขแะ้วใจไปเห็นความทุกข์เข้านะก็ไม่ผูกพันกับความทุกข์ไม่ใช่คิดว่าความทุกข์เป็นตัวเราของเรานะแล้วต้องไปหาทางละใจมันจะเข้าไม่เข้าไปผูกพันกับสภาวะที่มันไปรู้เข้าใจมันคลายออกนะเพราะรู้ตามความเป็นจริงก็เลยเบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายเลยคลายกำนัดคือคลายความผูกพัน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 ใจเข้ามาหยิบฉวยกายนี่ก็เกิดชาติใจหยิบฉวยจิตก็เกิดชาตินพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ก, ก็หลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนรู้ว่าชาติสิ้นแล้วไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกแล้วะชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการศึกษาธรรมาศึกษาจบแล้วศึกษาจบแล้วจบในศีลในจิตในปัญญ า, าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานะเราพูดเล่นคล่องคล่องปากหรอกศีล ส, สมาธิปัญญาใรศิกขาคือศีลสิกขาจิตตศึกขาปัญญาศิกขาแจมแจ้งล้วรู้หมดละศีลเนี่ยเป็นการศึกษาและสู้กิเลสหยาบหยบัเพื่อให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นเพียงพอพร้อมที่จะมาเรียนรู้จิตหรือทําจิตตสิกขาจิตตสิกขาเนี่ยจิตจะสงบจากนิวรณ์จากกิเลสชั้นกลางนะพร้อมที่จะไปเจริญปัญญา มันจะรู้ว่าจิตยังไงที่ข่มนิวรณ์ได้จิตยังไงข่มนิวรณ์ได้แล้วพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วยจิตที่ข่มนิวรณ์ได้คือจิตที่ทําสมสถะจิตที่ข่มนิวรณ์แล้วพร้อมจะเจริญปัญญาคือจิตที่พร้อมต่อการทํำมิปัสสนาไม่เหมือนกันพอถึงปัญญาสิกขาก็าคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนละกิเลสขั้นละเอียดคือความหลงผิดได้ละอวิชชาได้ฉะนั้นศีลจะละสิกขา จิตสิกยาปัญญาสิกขานี่ชำละกิเลสเป็นชั้นชั้นชนเข้ามานะจนกระทั่งจิตใจเราบริสุทธิ์หมดจดแล้วหมดงานต้องทําเรียกว่าเรียนจบเรียกว่าจบหลักสูตรเนี่ว่าพรหมจันทร์อยู่จบแล้วหมายถึงว่าเรียนจบหลักสูตรแล้วคนที่เรียนจบหลักสูตรเรียกว่าอาเสขาบุคคลคือคนที่ไม่ต้องเรียนอีกแล้วคือพระอรหันต์นั่นเองพวกเราเป็นนักเรียนนะพวกเรายังเป็นนักเรียนพระโสดาบันนะเป็นนักเรียนจริงๆ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 พวกเราที่เวียนไหวในสังสารวัฏนะเรามีงานหลักของเรานะคือทําตัวให้พ้นสังสารวัฏให้ได้นะนี่คืองานหลักของเรานะไม่ใช่ล่อนเร่ไปในสังสารวัฏ <c oughs> เวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยเรื่อนั่นงานไม่มีซีสิ้นสุดเลกิจนะที่ควรทําก็คือการข้ามภพข้ามชาตินี่งได้ทําเสร็จแล้วนะทําหมดลนะกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกกิจนะอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก เพราะตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทำแล้วกายกับใจเราคืนให้ธรรมชาติคืนให้โลกเข้าไปละจิตใจจะมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานถาวรอยู่อย่างนั้นนะจะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วนๆนะเพราะว่าจิตใจไม่ถูกขยำขยี้จิตใจของเราถูกผู้ยี่ผู้ยำนะผู้ยี่ผู้ยำด้วยตัวเองนี่แหละ งั้นในพระไตรปิฎกนะสมัยก่อนหลวงพอ่านพระไตรปิฎกพอ ม, มาถึงเวลามีท่านใดท่านหนึ่งบรรลุพระอราหารนะันต์อู้อ่านแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนี้บ้างสะใจเขารู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพระเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดพราคลายกำหนัดจึงหลุดพน้นพอหลุดพน้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วก็จะบอกว่าท่านองค์นี้ก็เป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในพระศาสนา ท่านรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรอาจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีะมันเป็นธรรมมาที่ท่านแสดงออกมาด้วยความห้าวหาญของท่านเลยนะว่าชั้นเรียนจบแล้วนะงานชันก็ทําเสร็จแล้วนะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นยังไงนี่พระพุทธเจา้าบอกไว้นะบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยท่านไม่ได้รักในความตายไม่ได้รีบร้อนที่จะตายเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เกลียดขันละ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 เพราะว่าทำงานเรียบร้อยแล้วนายจ้างนี้ไม่ขี้โกงนะ้าเจอนายจ้างยุคนี้รอไปแล้วมันหนีไปแล้ว <c oughs> นี่เราพานาถึงวันหนึ่งเราจะได้รับรลังวันได้รับค่าจ้างค่าจ้างของเราคืออะไรคืออนุ ป, ปาที่เสสนิพานนิพานที่สิ้นจากขันขันนี้ตัวทุกนะวันหนึ่งโยนหมาเน่าทิ้งไดแหละเป็นหมาเน่าทิ้งนิพานไม่ได้สูญ น, นะนเข้าใจว่านิพานสูญ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 คราวนี้รู้สึกลําบากนะละวตอนบวชใหม่ๆนะก่อนบวชเวลาหลวงพ่อมนตรีหลวงพ่อมนตรีก็ให้กําลังใจหลวงพ่อะชวนให้หลวงพ่อบวชนะบอกมาช่วยกันหน่อยศาสนาแย่และ้ะมาช่วยกันหน่อยตอนเวลาท่านบวชนะท่านก็อธิษฐานเลยบุญบารามีที่หลวงพี่ทําแล้วนะออกอที่ของคุณทํานะขอให้รวมกันนะให้คุณถึงนิพพาน ววนะันั่นจะได้รีบมาสอนกันมาช่วยกันทํางานทิฏฐานมาให้แหมใจเราพืกก่อเคมนะประบวญแล้วเอาใหญ่เลยลวงพ่อมนตรีนี่ชอบเดินจงกรมแล้วก็เดินทั้งวันทั้งคืนเลยนะเดินสเสียดเดี่ยงเลยเดิน <c oughs> เดิสือขาถ่างเลยนั่นงเนียเดินไปจนเหนื่อยเหนื <c oughs> <ๆ>่อยเหนืะบ่ายวันหนึ่ง <c oughs> เดินอยู่ที่ระเบียงกุฏิมองไปนอกวัดนะเห็นภูเขาสามรูปภูเขาสามรูปนี่เรียงกันสวยช่ ช่องไฟมันได้พอดีเลยมองจา ก, กวัดที่หลวงพ่ออยู่ดูไปโอ้ภูเขาไม่หนักฮะใจเรานี้หนักอึดเลยมันนึกขึ้นได้หลวงพ่อมนตรีก็เคยพูดพระโมทดการปฏิบัติง่ายนะมันง่ายนะเคยก่อนนั้นไปกราบหลวงปู่สุวัสดิ์หลวงพ่อปู่สุวัสด์ก็บอกว่าการปฏิบัติมันง่ายนะง่ายแท้นอ้อเนี่ยแต่เรามันโง่เองของง่ายๆเราไม่เห็นเองเรามองข้ามไปข้ามมานี่เฉลียวใจดวงนี้ขึ้นมา การปฏิบัติต้องง่ายแต่ทําไมเรายากลําบากเลอเกินะจิตใจของเราหนะมุน จ, จี๋จี๋ติ้วติ้วติ้วจับเหนือจับใต้อะไรไม่ถูกแล้วมั่วไปหมดแล้วเครียดไปหมดแล้วทาผิดแน่นอนทําไมทําผิดนะพยายามไปเรียนแบบหลวงพ่อมนตรีท่านชอบเดินจะไปเดินตามท่านเอาละว่าทางใครทางมันะหลวงพ่อลากเก้าอี้มาเลยนะนั่งมันเลยไม่เดินแล้วจะนั่งเพราะเราถนัดนั่งเนี่ย นี่มีเคล็ดลับนะใครถนัดเดินก็เดินนะใครถนัดนั่งก็นั่งถ้าใครถนัดนอนก็นั่งนะนี่เป็นเคล็ดลับนะถ้าใครถนัดนอนแล้วนอนมันจะนอนในโรงเลยนะนั่ง <c oughs> ก็นั่งดูเขานี่นั่งดูไปด้วยวันไหนใจเล่าร้อนเกิดขูกขุดจ่ยที่เรียกว่าขูกขุดจระยังไม่ได้ทียังไม่ได้ทีไ ม, ไ, ทไม่จบซะที ทำไงจะได้จะดิ้นเกิดการดิ้นรนรู้ทันความดิ้นรนนะก็เลิกดิ้นไปรู้ทันมันไปเรื่อยมีแต่เรื่องรู้ทันทั้งนั้นเลยการปฏิบัติดูไปมันเหมือนเรากินข้าวนะกินข้าวไปเรื่อยเืถึงเวลาอิ่มเขาอิ่มของเขาเองไม่ต้องไปทําสํา อ, อิยกินไปร้องไห้ไปเมื่อไหร่จะอิ่มเมื่อไหร่จะอิ่ม น, นั่นประสาทแล้วนะเออหรือรีบอัดเข้าไปใหญ่จะให้อิ่มมันไม่อิ่มมันจุก เดี๋ยวมันจะตายซะ ก, ก่อนะงั้นต้องดูตัวเองนะแค่ไหนพอเมาะพอควรทางใครทางมันดูตัวเองงงพระชาก็สอนอย่างนี้มีพระไปถามท่านว่าควรจะฉันอาหารแค่ไหนควรจะนอนแค่ไหนท่านบอกไปดูตัวเองว่าทําแค่ไหนแล้วพอเหมาะพอควรคือสติเกิดบ่อยเอานั้นแหละเพราะตัวสําคัญคือความมีสติต่างหางไม่ใช่ฟอร์มของการปฏิบัติไม่ใช่ต้องวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้นะ ตัวสำคัญคือความมีสติมีสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงของกายของใจจะพ้นไม่พ้นอยู่พวกนี้ไม่ใช่อยู่ที่ท่าทางนะไม่ใช่เดินสวยเดินต้องยกเท้าแบบนั้นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำนวนใครก็ไม่รู้บอกพวกโยธวาทิตย์จะบรรลุก่อนเพราะมันเดินสวยหรือว่าภาวนาก็โ ม, มเมลเองนะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ แทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะก็พยายามไม่ดูพยายามไม่ฟังพยายามไม่คิดนะปฏิบัติจะไม่รับรู้การกระทบอารมณ์นะถ้าการหลีกหนีการกระทบอารมณ์แล้วบรรลุทำง่ายเนี่ยคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราคนหูหนวกก็บรรลุก่อนเราเพราะว่ามันไม่มีายาตระไปสองอันละถ้าเป็นโรคเรือดด้วยยิ่งดีใหญ่นะไม่รับรู้ทางกายไม่รู้มีดบาดยังไม่เจ็บเลยนัย่นไม่ใช่อย่างนั้นนะ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 เหมนกินอาหารเยอะจนท้องอืดฟังธรรมะมากจนกระทั่งเสือจับต้นชวนปลายไม่ได้จริงๆธรรมะสาหรับคนคนหนึ่งไม่ต้องการเยอะนะต้องการนิดเดียวนี้ธรรมะ ม, มีมากเพราะคนมีมากมีหลายชนิดอเทศจนป่านนี้แล้วใครจะถามอะไรสองคนนี้ไม่ต้องถามอสองคนนี้ผ่านไปอเจ๋ ตอนนี้เขยก็ตามรู้ดูไปอะค่ะหลวงพ่อแล้วพอบางครั้งเราเห็นกิเลสมากมากแล้วเออ่มันก็ยังไม่พ้นมันเหมือนว่าเราก็อยากที่จะไม่อยากมีอืเป็นอย่างนั้นอยู่อะค่ะนั่นเป็นกิเลสอีกตัวอะ <c oughs> ชื่อกุกุจจัก <c oughs> กุกุจาเนี่ยเป็นหมัดเด็ดของกิเลสนะเอาไว้ชค <c oughs> คนดี <c oughs> ไม่ชอบชั่วอยาก <c oughs> ดี ใช่้วมันจะสอนกันขึ้นมาเองมันจะเกิดความไม่สบายใจมาอีกตัวมากอะไระคะถ้ารู้ทันมันก็มันก็รู้ทันอ่ะก็รู้ทันไปแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็เป็นอถ้าโดนไม่ทันมันก็รู้ไม่ทันใช่เพเมื่อกี้บอกหลวงพ่อว่าถ้ารู้ทันก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็คือรู้ไม่ทันไม่ต้องเสียอกเสียใจรู้ไม่ทันแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวรู้เอาใหม่แต่โดยส่วนใหญ่ก็ก็มีความสุขเบาสบาย สังเกตไหมจิตในขณะนี้มีโมหะหรู<ช>้ออไหมตั้งแต่มาเลยค่ะเออจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะน ะ, ะ, ะให้รู้อย่างที่เป็นไม่ต้องแกทำไมหลวงพ่อว่าไม่ต้องแก้เพราะพระ พ, พุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าสอนดูก่อนที่สูตทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะรู้ว่ามีโมหะหมายความว่างไงมีนัยยะหลายอย่างอันแรกรู้ว่าขณะนี้มีโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างที่สอง รู้ความจริงของโมหะว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาช่วงครั้งช่วงคราวตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่เรียกว่ามีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ใช่รู้แต่ว่ามีโมหะมาแต่รู้ความจริงของโมหะด้วยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนี่รู้ว่าราคะมาแล้วรู้ความจริงของราคะด้วยว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเมื่อไหร่เห็นรูปเห็นนามเห็นกิเลสมากิเลสไปอะไรย่างนี้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 การ น, นิพพานอารมณ์ทั้งหมดนี้เอาไปทําสมถะได้เช่นเราพุโทโธพุโทโธไปหรือเราคิดพิจารณากายไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องราวที่เรายัางเจือด้วยความคิดอที่สองเราเพ่งอยู่ที่รูปเพ่งอยู่ที่นามเป็นสมถะเช่นเราดูท้องพองยุบแล้วเราเพ่งใส่ท้องไว้นะมันก็คือการเพ่งกสินนั่นเองเพ่งธาตุดินนั่นเองเราไปเพ่งท้องไหม ก็คือการเพ่งก็คือสมถะหรือเราไปดูจิตดูใจแล้วไปเพ่งใส่ความว่างไว้ก็เป็นสมถะนี่เพ่งนมามธรรมเพ่งความว่างส่วนนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอริยะพระอริยะเวลาจะพักผ่อนก็เข้าพระสมาบัตเข้าผลสมาบัติพักผ่อนอยู่กับ น, นิพพานแต่จะอยู่ได้ชัมนี้ชั่นานไหมก็คือ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 ไม่เอานิพพานมาทำวิปัสสนาไม่เอาสมมุติบัญญัติคือเรื่องที่คิดมาทำวิปัสสนาเรางั้นอย่างเราดูจิตดูใจของเราหลายคนมาบอกหลวงพ่อว่ารู้ทันความคิดคิดเรื่องอะไรหนูรู้หมดเลยการนี่ทำวิปัสสนาแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่วิปัสสนาถ้ายัางรู้เรื่องที่คิดอยู่เรียกว่ารู้บัญญตัติแต่ถ้ารู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่อันนี้เรียกว่ารู้เป็นวิปัสสนารู้ทันจิตว่าจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตคิดเนี่ยเป็นวิปัสสนานะ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 เพราะหลวงพ่อพูดแต่สภาวะล้วนๆเลยธรรมะที่หลวงพ่อพูดนี่พูดแบบเทกระเป๋าพูดกันนะพูดจากใจเลยนะถ่ายทอดกันด้วยจิตด้วยใจเลยถ้าเราใจของเราไม่ดื้อไม่ด้านเกินไปไม่อวดดีเกินไ ป, ไดดนไปฟังไปเรื่อยๆฟังไปสบายๆถึงวันนึ่งก็เข้าใจธรรมะมันเข้าไม่ถึงใจเราสักนทะีเพราะเราโมจะคิดหรือเราปิดกั้นธรรมะไม่ให้เข้ามาสู่ใจเราเอง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 หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อไม่ได้เรียนจากท่านหรอกแต่ก็เคยเห็นท่านเคยเข้าไปวัดท่านสองครั้งไปดูท่านสอนหลวงพ่อชอบไปจัลกรรมเขานะสำนักต่างๆนะั้นชอบเข้าไปเรียนอย่างเคี้ยไปดูขอไปดูตัวอาจารย์นะ่ะว่าอาจารย์ภาวนาอย่างไงหลวงพ่อเทียนสอนโยมนะเต็มสลาเลยคนนะั้น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 เพราะว่าเป็นของง่ายพระเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายปูตูชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนาศาสนาอื่นก็เห็นได้ท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะงั้นละสักยัตทิฏฐิไม่ได้มันยังเหลือว่าจิตเป็นเราอยู่ท่านบอกว่าปูตุชนที่ไม่ได้สดับนี่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากเรามีหน้านที่ฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นนะ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 ในกองขันแจมแจ้งในนิพพานนะธรรมะมีเหตุมีผลนะไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วขาดสติเคลิ้มวูบหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกบรรลุแล้วนะตอนนี้วูบมาได้สามครั้งแล้วเป็นพระอนาคานั้นคะาราคาสังนะไม่ไม่ใช่พระอนาคาขาดสติเป็นพระอนาคาไม่ไดนะ้ต้องมีสติมากๆเบอร์แปดสิบสามสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูเอาแล้วใช่หม ตอแบบแบบแบบ น, ะ 83, นเราใจไหลแวบแวบแแบนะเมื่อ83าหลวงพ่อให้การบ้านนิดนึงคุณยังติดการบังคับตัวเองอยู่ไปดูตรงนี้นะยังติดการบังคับตัวเองไว้ไปดูไว้แม่ชีรักษพรจิตมีโมหะนะอ้าแมวมัวไปดูแม่ชีลักษพรลืมตัวเองจิตส่งออกนอกทางตาส่วนะที่นั่งกับแมวก็ส่งเหมือนกันส่งไปหาแมว ะคุณเบอร์แปดสิบสามหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดะให้รู้ว่าใจเราไปคิดไม่ห้ามนะไม่ได้ฝึกห้ามเอี่ยงเป็นไงฮะให้รู้ว่ามันนิ่งนิ่งนี้อย่างของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่นิ่งของจริงนิ่งนี้เป็นนิ่งที่คู่กับความไม่นิ่ง ว่างอันนี้คู่ความไม่ว่างยังเป็นของคู่อยู่ไม่ใช่ของจริงอะไรที่เป็นขอบคู่ไม่ใช่ของจริงของจริงเป็นหนึ่งคุณอภิชาติเป็นไงฟังนานชักง่วงแนละ้ะมีโมหะแทกเบอร์แปดสิบสามไปดูเขาเมื่อกี้เนี่ยลืมตัวเองรื้อออกไหมเนี่ยหลงไปดูหนะลวงปู่ ด, ดูลเรียกว่าออกนอกคุณอาพิชาตหนีไปคิดแล้วทราบไหมดีขึ้นแล้วตอนที่กลับจากเมืองจีนดูรอดได้เลย ค่ายดีขึ้นละเอาเอะเป็นไงบ้างตับถูกเอาคุณยายอ่ะยายรีบลบใหญ่เป็นไงเออดีที่รู้มันคิดรู้ว่ามันคิดนะมันไหลรู้ว่ามันไหลนายนิดเป็นไงยังทําอยู่มีโมหะด้วยดูออกไหม ช้างหลังนะไม่รู้ชื่อด้วยไม่รู้เบอร์ด้วยเรียกไม่ถูกเบอร์สามสิบกำลังทําอะไรอยู่ะไม่ใช่ตอนที่หลวงพ่อถามเนี่ยรู้สึกไหมใจเรากําลังจาะเข้าไปที่ป้ายเนะ ใ, ใจเราไหลไปที่ป้ายให้รู้อย่างเงี้ยรู้ทันรู้ลงปัจจุบันนะแอบไปคิดแล้วเบอร์สามสิบทราบไหมใจไหลไปนะให้รู้ทันนะคนนี้ฉลาดนะ หลวงพ่อบอกไม่รู้ชื่อไม่รู้ป้ายนะรีบเอาป้ายมาติดตอนนี้ไล่จีละคนไม่ทันแล้วนะเยอะเกินหลวงพ่อก็จนปัญญาไม่รู้จะช่วยยังไงนะช่วยตัวเองให้เยอะๆฟังซีดีไหม